ใช่ไหมปีนี้สงสัยจริงๆน้ำเก่าก็ไม่มีน้ำใหม่ทำไมมันก็ไม่อยากมานี่แปลกอความจริงโดยของโลกาสาศยพวกนี้เคลียร์ทำให้โลกหวันห่นว้กลับล ม, ม, มขึ้นเลยขั้วโลกเหนือแดงขั้ใต้ซี ปีนี้มันก็มีอะไรปแปลกเพราะสองปีนี้จะมีสุริยคาตั้งสิบเจ็ดครั้งมันก็เข้าใจโลกเค่นไอ้มงมของโลกอาจจะมั น, ม, นมันจะเต็ี่น ม, มุมันจะมันจะเคลื่อนจากเดิมมันเป็นอะไรอาจเป็นได้เพราะว่าเขาว่ากันนะผมไม่ได้ว่าออกเขาว่ามานักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาว่าไป นักพุทธศาสตร์เนี่ว่านะนะว่าเป็นกฎของกรรมใช่ไหมนักพุทศาสตร์จะบอกเป็นกฎของกรรมนักกรรมมันมั น, ม, นมันจะสนองนนในรูปนั้นแล้วก็เราก็ไ ม, ม่มีทางหลีกเลี่ยมเอ้เปอุปรรบเหมือนกันเนาะพระอรหันต์มีอะไรใส่ไหมพี่ดงข้าพุทธตายขุนมากขันนึงไม่เอา อะไรเนี่ยทำไมตัวก็ได้เนี่ยร้องแบงม้องหล่นได้ยังไงแตถ้าเวลาไปโปรยก็ต้องมีก่อนเนีสัตร้ายคนร้ายผีร้ายและเทวดาร้าย ก็จงอย่าเข้ามาให้มีความร้อนถ้าสัตว์จะมีแตไม่จะเป็นสัตว์ที่มีพิษถ้าดีไม่ทำอันตรายตนดีพีดีอือพระบดาดีก็ใคอยู่ได้อย่าไปไล่เรทั้งหมดนมีอดทาาตายพ่อพี่เขาช่วยหาข้าวกินมันมีอยู่ใช่ไหมโน่นโอหน้าเสียสารกรดที่เนี่มีได้เลยเป็นรองหล่าหุ่นอากง อันนี้อันนี้งูพิเข้าบานไม่ได้้แต่โตแล้วให้งูพิขบารงูตายไกีตัวเขาไม่ได้ทุกนะเอามาับแล้วก็โคบมูตายในล่กษณะที่เลมเขาม่ทรายเขาเพะเขาว่าัดการเองไม่ชเาจการจะลืมนะมตันจะสปโรว่าเลยไปไม่ใช่ไม่โคลสปโร ว่าตันๆมาค่าาอยหาเดี๋ยวไปมันได้มาว่าโก่งๆเดินสบายเนี่ยนโมทายะอาจารย์บอกก็นี่จะไปคุณจะไปป่าแล้วก็คุณภาวนากระถายหมดจะไม่รู้อะไรี่ยือใช้บทเดียวนโมทายะแกก็ไป <N> อยู่บนเขาแบบวันหลังเอไว้วันหลังามันชักเสือใ้ตัวแยกกลาเป็นนโมทายะเ ภาวนาโนมทายะโมทายะโนวายนี่ว่าไปว่ามาเวันยังหิวข้าวพิธบายก็ไม่ได้ถ้าลองเสษขินอ่อนเสษขินอ่อนจักจริงมันมันบุ้นอร่อยฮึโอเคร่อยโมุทายะเลยแกแกก็ไม่ได้สงสัยแันนกว่มันแยะน่นีต่อมาหมาจ่ายเากลับมากัน ทำมาภาวนาวนโมทายะครับโอ้โอโอดีดีนะท่านตรงนเมียอย่งเจ้าคูน่นโมทายะสีนั้นไปว่านโมทายะตัดหินไม่ลงแกเลยเปลี่ยนใหม่หมมเอาอ น, นโมทายะแกกินได้เฮ้ยแล้วเาตามการยึ้กมาเราภาวนา โ, นโทายะนึกจะให้เป็นวุ้นนะนึแค่ให้เป็นอาหารกินได้ก็กินได้เลย ด้วินี่กใจมันมั่นตรงนแลใช่ไหมมันงูข่ายเยะไม่มีอะไรมากหรอกเดึทนงเพราะว่าแต่กตวิธีที่ทองมันมีทางว่าถ้าถึงป่าถ้าถึงถ้ำถ้ า, มาไม่ใกลบ้านนะักจะถือเดินในสรณะอย่ถือเดินในสรณะเนี่ย่ใช่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าห่วงการเดินวันนี้อ่าไปจากนี่ถึงโน้วันโน้อยไปถึงนั่นานาังแล้วก็เดินไปนั้นเนี่ยไม่มีความหมาย ไอ้ที่ก็เดินเนี่ยเดินมาเป็นพวกคาเวาศีแดงใกล้บ้านไม่ใช่ น, นวาศีถ้าเป็นคาเมวาศีแต่นั่นไม่อยู่วัดจะดีกว่าได้กาไรเยอะแยะแล้วเป็ น, ปปนถ้าเข้ารัวาศีกันมาถึงแม้จะมีบ้านที่เป็นอับาทแต่เราอยู่ห่างบาง้นาบนไปไมน่น้อยกว่าหนึ่งกิโลนี่ก็ใช้ได้ถงัดแต่เรต้าางรองระวังให้ดีว่ากู้สู้ตรงนี้เขาชอบทำบุญ คนชอบทำบุญคนจุกคนเตียนีส ว, ว่างเอาเลยแต่พวกคนจุกคนเตียครับลงไปมัแกไม่เสียตางมากนี่ยแกทาพิธีกรรมโปรตีเสียตางมากใช่ไหมบาทีเขาจะแต่งงานให้ทำสายศิลทํามงคลก็หล่ออยู่ผมไปเรียนมันไอโถงงโตกตรงใช้ได้อย่างง่งมงคลม่อยู่ดีอยู่ที่เชื่อเป็น ทุกเจ้ า, จาวราเวณน่ายะพาละนังปนิตานัาจ ะ, าาาาจะเสวณ น, นักปูชาจุนยิยานีนันอีตางมังมุตมังมงค์คนมัอยู่ที่นี่มีมงค์คนถ้ามงค์นมันอยู่ที่เชือกมันมนั่งเศตเนี่นีก็ถือว่าแล้วเขาชอบทำกันถ้าเขาไม่ชอบเรื่องแปลวา่าถ้าถวายปัจจัยก็อย่ารับอื่รับไได้ แต่วทาถ้าราซื้อตัวให้ไปอันนี้รับได้นะจากะถานีนนท์ไถึงถา น, นีนี่จากที่ น, น, นี้ถึงน้งต้องน่นอันนี้ ร, รับได้แม้นทองนี่ก็ห้ามรับก็เป็นโลบียะประตูดวงคนหนัก้วยการให้สองอันตรายอยกัเรเาอย่างที่ต้องพสวรรค์ทมาชุมแสนมาสามสี่ปีนะฟันหายหมดเลยีไม่ใช่เด็ดทองได้ตังสีรอโเอาตังค์ไปคยังไม่ให้มาไโชคก็ปก่าโขลฟันจน โรเสพความให้ใหม่อั น, นี้อัตรายแบบนี้แล้วก็อ้ยังในตลาดยังยังไม่ปักนะผมเห็นท่าเดิดนเดนิดนลงเดินผ่านกรุงเทพมันสลุกใจจริงคือมันไม่มีความจาเป็นสําหรับพระชุนงที่ข้าในตลาดแมแต่ตลาดธรรมดาเนี่ยนะถ้าไอ้ทางเส้นนั้นมันจําเป็นจะต้องผ่านเนี่ยก็ผ่านไปได้ถ้ามันมีเส้นเดียวกรุงเทศมันมีกี่เส้นนอะ ทุกดดงไม่ใช um ่ทูกถนนใช่ไหมแค่ราการี่สองพวกสายสายก็ชอบลงถ้าเลยแล้วก็มันจะกลับอ่ะนี่ถ้าเผลอไม่ได้กลัก็ช้าตื่นนช้าจริงๆแผไม่ตาแล้วว่าบรมีสามสิบท่เป็นีม่ยตรายแน่บรมีสามสิบทที่ว่าเมื่อกี้นี่นะทีบรมีสรมิตาที่วาเ้นี่ เดินเรื่อยไปาเวลาเดินนี่เรายว่าอิทธิพิสโสแล้วว่ามันพุโทโธก็ได้ว่าเราให้าขาดเป็นภาวนานี่ไม่มีอันถ้าหากว่ากลางคืนมีอะไรตุกตักมาก็อย่าไปตกใจกลัวต้องฝึกความไม่ตกใจซะก่อนไอ้เรายังไม่เป็นทาหลังเ่นใดคำวั า, า, าบาดปันมนะันต้องมีแต่ลราีือว่าลังใจว่าถ้าอะไรจะมาถ้าอะาาไรต้องตายเราขอไปนิพพาน ยึดหลักเดียวคือไม่านนี่ก็ทั้งเวลาที่อยู่ปกติดจกลางฐานกะ็จับขั้นห้าเนี่ยตรงอันตัดตัดทั้งหมดเพือภาวะสงบเห็นสภาวะความเมยหรอขงร่างกายในสุดมัก็ผ่าใช่ตัดปัดทิ้งหมดไปแต่ว่าอันตรายใหญ่ทีก็ฝ่ายงข้ามะระวางะวางเลยนะไม่มีคนมาฟังจริงไปทั้งนั้นยม่ควรนเะข้าป่าเล่นเข้าแถบการเยอะเลย แครลีนะแคบลีน่ผมรู้รูพวกพว่อุตมะเกิดเกอยู่ไม่ได้มันมันล้อมหลายควงพ่ออุตมามั่อหลายเครื่องแต่ว่าหลวงพ่อตม่าเป็นกำลังใจของตำรวจ่เป็นชนแดนเป็นต่างพอพอรู้ข่าวเขาก็ยุกกำลังไปป้งกันมันมันล่หลายคนนะนายกให้ไปทางไหนมีอไปไหนเดินลังงลังสุพนรณก็ได้ แต่คุณยังไม่ควรสุพรรณไม่มีที่นไหมหนุ่มสุพรรณเนี่ยชีสวดเนี่ยกินเบอร์สวัดมีเยอะยิ่เยอะแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาว่าถ้าเจยังกินขี้มนจะว่าไงอองเงนก็มน้ำเปิมาไล่ยังไล่เปล่านั้นผมไม่รู้ทาไมเรืนึกถึงพ่อาปไปมามันบอกไม่ทำไปนี่แหละมันให้จบหมดมาก แค่เลดมด น, นเวลาเนี้มันเกลือนเราไม่รู้ไม่รู้ยังเ จ, เจเ็บมาเลยเราไอ้ไอ้แบบที่ว่าท่าส่งให้อาจารยมันนะอ๋อจริงจริงยางฉันเนี้ยเขานี่ดีดท่านสังส่งอให้เลยให้รำบาราบาให้หนักแต่แต่มกา็าไปต้นไป เค้าเล่นแ่แบนี้แล้วก็เอาแหน่ใ่ต้นปีไหนสามวนันแต่ว่าถ้าปีหนึงสีมาผมก็คนดันแล้วบอกว่าท่านบอกว่าท่านแบบมุกราลาเป็นต้นแตงระวางไม่นันีปีนี้เราถ้าจะรับก็รับคนบวชเนที่อทำพิธี่ิันมากหน่อยถ้าหาว่าไม่สมควรก็มาขอเรียนเจ็วันก็ไป ยังดีไม่ดีมันจะมันจะยุ่งยุ่งขึ้นมาลำบากใช่หมให้เราเราต้องถืี่เทียนเพราะว่าไอ้คนของเขาส่งมานั้นลักษณะหลายแบบมานาน บ, บ, แบมาในฐานาะนักบุญนี่กมาในฐานะสงเคราะห์นี่ก็มาในฐานะพระผู้ต้องการท่งศีลก็รักเรารักฉันดีต้องการปฏิบัติเรา มันมีได้ทีคก่อนมันก็มีมาแล้วนะขนาดเรียนจบปีอีกปีจะทจะได้เป็นยาเพราะนั้นบ้านเขาบอกเลยบ้านอยู่สวัสดนี่เรียนไรอะไรบอกทีนนทรครูศรีนภรินทนรน์บอกว่าถ้าเอาถ้าไม่ทำเลยยาไม่ต้องการครับอย า, อยาอกจะบวชั้องบวอยู่วัดนี้จะต้องบวชอยู่วัดนี้นะไบอกคนเพื่อที่ไม่รับ อีปีทํายาสียก่อนทีให้เงินใช้พอใช้ได้สก่อนถ้าบอกบ้านสีสวัสเิ็กันเลยเข้าใจเลยว่ไอ้บยันเดี่ร์กิเพอร์สีสวัสดิ์ในเรื่เลยถ้าเป็นแดงนครับในคนจะดัดยัยปีนี่มันมันจะมันไม่ทาเพื่ออะไรเยสทาวแม่หรือว่าสสบดที่ตลอดใช่ไหมก็ต้องมีแผนอาจังเนี แล้วก็ถือว่าเออความตายคือของธรรมดาเออความตายคาาือขอธรรมด า, า, าแต่ที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้หักคอเขาเลยเราแจกของคนจนสงเคราะห์คนยากจนให้การเยีย่ยมตำรวจทหารเราถือว่าเป็นคนไทยเห็นไหมทำไมมันต้องมาโกรธเราข้าบเราผมก็ยังเป็นหมายเลขหนึ่งตลอดเวลานีย<ม><ม>่ยังไม่มีใครขึ้นมาเป็นคู่เลยเนี่ย ไอะห า, าก็บอกหลวงพ่อครับไม้เล็กหนึ่งนะครับไอตำรวจก็ไม้เล็กหนึ่งนะครับแถมไอฝรั่งกะยังไม่มันก็บอกเรามาเล็กหนึ่งนบ่วังเจ้ว่าะามันเด่นได้อย่างนี้แต่เวลานี้ทุกว่นตัดทิ้เชื่อเสียงพร อ, อตมานดวงมาหลาเปีสองสปีครับที่สนะันที่พรรลาั่นนะทั้สู้ แต่เขาไสู่ท่านท่านมด็เอามไปสู้เขาตั้งอยู่ทีนี้พอตำรวลเขสักเขาก็ไปทำการค้ำกันอย่างนี้ทั้งเราเนี่ยบอกขอสุดๆเขาก็ห่วงนี่ไม่ใช่แต่แปลเพงนะเวลานี้ไม่ใช่ตเราทุกองค์จันวงจนวันต้องพอจนผู้ทอกหน่หลายคนเขาบอกชื่ออะไรเขาบอกชื่อจำไม่ได้มันไม่ไล่ไม่อยู่ไม่ยมไมล่เลยไม่อยู่เนี่ย เมื่อโจนไปเพราะโจนอยู่ไกลหน่อยพูทอกเขาบอกใครจะหนูบ้านหน่อยอาในคนไปไล่ไปไปไม่ส่งคงไปยิงก็วันดีงูขาดายเท่าไร่นนยิงให้เวลานี้มันล้อมามีเล่งานให้เราก็ส่งเออรายการเราสองปีแหะปีนี้เราส่งไปอี่ภูทอกอ่าวตาเ่าห้าได้ของก็ส่งไปแล้วก็ไปทางจบัเลย แ, แปลกก็เ้าบอกว่าแยกบ้านเมืองมีสุขเพาะถ้ามันม่งคิดถักลางพลาดนะให้เราว่าทำให้บ้านเมืองมันมสุขแต่มันเอ๊ะมันคงจะสุขของคนในย่างหน้าแล้เนี่นนยสุขแบบถนนสุขแบบทุเรียนก็ะชวยถ้าสุขแบบฝลังต้มขาของที่สวัสดิ์ดังลูกชายหลวงริติเกไกล ตัเด่นเดียวกันแนละ้วคุ ย, ยังเด็กไปคุยไปคุยมา ห, หิวเ่าภายในตัวไม่มีอะไรจริงไอ้รูปฝลั่งมัยังอ่อนอยู่ยังไม่ยังไม่สุกอ่ะมันจะนจับต้นฝรั่งมาต้ตมก็ไม่สุกโยมสุกไหมเขี้ยวเท่าไรก็ไม่สุกใส่น้ำเดือักคลาเท่าไรกูแม่ไม่อ่อนนาที มันต้งมองหม้อดินมันมาห่อลูกเตะห ม, ม้อปั้งนำราร้อนในลวกขาเลยบอกเออไอ้กูบ้าๆแล้วมึงยังบ้ามากกว่ากูเลยเนี่ยกูสูงไม่ได้แน่ไม่จะต้มกระหลังให้สูงนะ <_ S 1> ได้ไอ้เจ้าหนุ่ก็แก่งก็ไม่มีอะไรกัจะเเ์นี่นะแว่าอย่าลืมคาถาบารมีสามสิบทัานเนี่ยประโยชน์ใหญ่มาก ตอดปับกฎแต่ว่าัางวิชาจะบอกเป็นอย่างตัวอย่างก็เหมือนกันนะท่าทางท่าทาปรับกฎที่เขามีปรับกฎปรับสายผูกาดถึงสาโผกาดถ้าโูกาดเคยเชื่ที่ดึงนั้นขาดมต้องว่าท่าทาบหดเดียวกันเพราะท่าถางหมดนั้นเขาจหวัดไปเมื่อพันชาเขาถึงเพื่อจริงจล้วหวาดช่างหนีจริงไม่จะ่หวัดข่างป่าช่างหนี แล้วก็เว้นไม่แน่ใจจะปับตัวแล้วก็วกเราก็ไม่คนใช้ในกรณีอื่นในกรณีอื่นคนใช้บรมีสามสิบทับถ้าถาบรมีสาสิบทับเกินยะถ้าเด็ดไปแ ล, กกแล้วก็หมายถงว่ารมากกีสามสิบทัศนะแล้วก็อยู่ภาวนาพุทโธก็ได้คือว่าพระเจ้าไม่มีอะไรในโลกนี้ในมนุษย์ลโลกที่ว่าโลกของโลกที่ยังมีกำลังเหนือพระเจ้าไม่มีเนี่ยขอยูพระุทเจ้าไปเถิด น, นะท่าน้น ก็บาว่าไปนี่มันตายถ้าแผลไม่ตาจิตไม่ได้ดุเลยแต่ตอนช้าเนี่ยพวสัตว์มันจะไม่หนื่อยแล้วอย่างสัตว์ที่เขาอะโอ้สกายป่าได้ป่าแล้วไม่ไกล่ป่าแล้ไม่นเหยีจริงๆมันมันเจ๋งเมื่อกีเราเห็นไอ้ใบไม้เนี่ยมันไม่หนาเท่าไหร่ <c oughs> ใบไม้ไอ้คนคนต้นไม้เนี่ยมันก็ใบก็มันก็จางๆมันมันอยู่แค่ลูกขนฝูง ถ้าเดินพุกไปนี่ระยะต้นๆที่ที่ว่า ท, าทันไปเดินถึงนะอแม่ที่ผมก็วม่ว่ า, าเจบใบแม่เจตนารถบินพุทหนักเร็วจริงขึ้นยอดไ ม, ม, ม้ไอลูกวิ่งพุทเขาไม่เห็นเลยไอใ บ, บามาก็ไม่มีสระแล้วว่าหาจะไม่เห็นเ น, นี่ยไอเมงแม่คดตัวไงแล้วถ้าเราถาาอยห่างไปนั่น็ลายเขาก็ย่อมได้ประเดี๋ยวแม่ลงมาลกวิ่งมาหาอยู่ทางนั้นแะ เ ร, ริงจริงกลางวันแล้ไม่ใช่กลางคืนกลางคืนเขาหายากไหมกลางวันแต่สมัยก่อนมันยังมีเจ้าสมัยที่จอกม้เจาะคนชอบมาเพราะว่าพระเลี้ยงบ้านตายถามเป็นพวงขนเันผู่ดีสวยเอาอ่างน่เขาละ <S <S <S แต่ยังสู้คนนั้ไม่ได้เดี่ยวเอยไม่ต้องวิ่งหนีจะวิ่งไป ไอหมาที่เป็นันตรายที่สุดตในป่าก็าาคือหมาไหนเดี๋ยวนี้คงหาไม่ได้หมาในมันวิ่งไม่เคยเท้ามันติดพื้นเร็วจริๆงๆป้าพวกของวิงว่งเร็วปกติมันเรื่องอยู่ตาฟังเคยเห็นไหมเมันอื่นเรามันก็วิ่งไปมันไวมากเจอหมาในเนี่ยเยี่ยวเป็นอันตรายตอนจริงก็ยังมาลี้หน่อยเนี่ยเก็บเยี่ยวไว้ถ้ามันเจอสาที่มันใอกินนี่ ปากมันคม โ, โดยปักแบงเลยเดือดปัดบ้ปบไปถ้าเจอยังเนื้อสมันหรือพวกงัวูพวกอะไรพวกตามสาตัตว์บบนิรันดรนจะวิ่งวนเยี่ยวไอ้กินกินเยี่ยวมันฉุนเนี่ยก็เข้าตาตาหมดเลยไปไหนไม่ได้อันนี้เป็นแก้พิจารณ์ดีฮะเ อ, อใช่ใช่แต่นั่งนั่แก้ลงได้ได้หิึนตาหมด ถ้ามาเรากินมันโดดถ้ามันมีลูกกี่ตัวโดดพับฟงวันแต่ภาพกัดกันตางครบแล้าส่งให้เรากินให้มันด้รายมากแต่ว่ามันร้ายกมันหิวอะแต่เยุดถ้าเราเจ็บเราเราก็องคิดเด็ดเดี๋ยวนี้คงไม่มีปืนไร้หมดใชแต่ก็ว่าไม่ได้ นั้นเอง่นเป็นสบายเคยเจอแต่ไปภาไปตัวหงแล้วไม่เจอเอสักร้ายี่เขาเลิกร้ายหมดไม่มีไม่เจอหนึ่งเสียมันก็เลิกเลิกคารามแต่แม่แนวทางหลวพอขี่เสียไปด้วยแทางถลนพอขี่เสียไปหน้าเราจะเจอกันนเนี่ยต่อมาทั้งเก่งทั้งเก่งทกลับใจได้ ทําำไมเสียไม่กินเ้าเตั้งว่าแข่งยอดแนะนําตัวเองแนะนำชนะตั้งต้นใหม่ต่อไปก็เป็นจา์เก่งเดินด้วยดงทุกปีแต่บางยกครูจะเสือหนึ่งตัวแล้วเลยให้สัญญาลงพ่อขี้เสือความจริงเสือไม่ขี้ทํานถ้ามันอยู่ขี้เสือนะต้องพ่อตีเสือมิถูก เนีย่ยไปปักเกล็ดที่น้ำมันปั้นไปปักเลยฝาเป็นเปล่งควายฝนตกคืนฝนมาใหญ่ฝนตกฝนตกก็ถอนไม่ได้โตองค์ปักขึ้นบนท่านมีแอนดีสบา ย, นนยาแหวนมีอาการก็ดแวดเพราะไปเปลควมันไม่โตทัง้งวาว่ า, วา น, นั่งกันมาท้ายเองสบายพอสองยามฝนตั้งข้ามาหมดนหลอทั้งไม่เนี่ย ล้นบอ่อเลยแรกนั่งยองนั่งยองก็ไม่ไหวบาตก็ร้องนั่งมืบาตก็ไม่ไหว้ิ่งก็ต้องยืน <c ười> ไม่ใช่เนรชีนแล้วเป็นยืนนะจปยืนกับบานเอาไม่ได้ถ้าเอาไมาได้เป็ไม่ได้ ป, ปวดุกองที่นีอยวนี้เรื่องถ้าไม่อยู่ตีดตัว เจ้าทูตองเนี่ยมันตัดสินใจชัดๆดไปตายเป็นตายแลวเนี่คือคำมาลําบากคำมาวัดวันไม่มีไอ้บาวมบาไม่มีเนี่มันไม่จริงมันวันแต่ว่าต้องทนสู้เดี๋ยวสมัยนั้นพวกเราไปก็ไปหาท่าเหมือนกันตัวเราเราไปไม่ใช่เดินแล้วทั้งวันทั้งปีนะไอ้ที่เดินทั้งวันทั้งปีนั้นมันไม่มีผลอะไรนะเราอยกจะปักตอกตรงนี้ตรงนี้ไปปักตรงไหน ตังนี้คนนี้จะไปตรงตรงไหมก็วัวเดินไอยู่แบบนั้นไอนร้อนก็ร้อนยกบ น, ก บ, นกบเดินในตอนเช้าตอช้าแล้วกัเดินใกล้ใกล้เป็นแต่มันร้อนใจก็ผัดบ่ายสามสี่โมงออกเดินไปแต่ว่าถ้าเราเจอทําอาศัยท่างมีกว่าเวลาใ้บ้านมันมากท่ำดีไห น, นก็ได้ใกล้ใกล้ไปใกลบ้านนักเชื่อแต่ก็ระวังพวกขอหวยเนะี่ย น่อนนี้เป็นเร่งจริงเขาขอหวยเาก็เหนอนี่เขาอดงให้กันเนี่ยเพรอกินเนี่ยนี่เขาเขาถือว่าเก่งเขาดงมันต้องเก่งนี่เราะว่าขาเขาถืว่าต้องมีระดีนะไอพวกชาปัทางด้านเนี ยิมีชื่อเหมือนปัญจมลีมีชื่อมากสีมาโพยังไปัญจมลีก็แค่สีมาโพมีชื่อทีสุดพัระไปพระปัดปอดกันโดนทุกไลร์แมา่อาจารย์ให้จะสั่งห้าม่านสญาณอ่อนห้ามผ่าน มันมีทั้งทั้งคนทั้งใสนะทั้งยาพิษมีพรอมนายพิจารณาก็ยาพิา้ยยพแว่ก็ถือว่าถ้าทำไม่พระตายได้ไอ้นั่นเหงี่ยห่เทำไอ้าวถ้าหลวงพ่อสุดลมตายเนี่ยคนนั้นเก่งผมไปที่แรกก็ไปเจอไอ้นกตัต้งไงจได้มันล่ออยู่ม เรียว่านก็ผ่านแล้วไปได้ไม่วันไหนเดินๆินไปน้ำมันกระติดมันหมดแล้วก็ไม่รู้มีน้ำที่ไหนเดินเฉียด บ, บ้านกันไปแต่ขอน้ำจากของบ้านเขาในบ่อนขึ้นบ้านพ่อแม่เขายู่มาร่างให้รูกสาวอยู่มาสิบสองปีไป ต, ตักน้ำเพื่อขันบานในถ่านมาจอรอยบานในถ่าน รวงังนะปับกบอกอันนี้ไม่มียาพิษเาจาะตักตปัต๊มันกเด็นเ จ, อจอาะเจาะงไ้เราเห็นเราก็เรานไม่รู้ว่าเขาจะวางยพิษอไรถบขันนัตักขันนั่อ่างเ่กมันตบมือไข้กรเด็นเลยมันถามมาดูหน้ามาใจทอื่นใช่มพอใจพอที่ตายหมดขั้เด็กสองอะ ไมหนูถึงตายล่ะเพราะยาพิษเขาเท้ทาคนขันไอ้เขาขันไอ้เขาันไอ้จระเลยล่ะทคนเราวางไว้มันมีอะไรตักไปที่แรกยาพิษเนี้ยไม่มีในน้ำแล้วเดินเราขำใบทียาพิาาจะละลายไปในน้ำตายได้อารย์่สิบสองอเจ้าอะไเดี๋ยวพ่อแม่เราตื่นงา ทีหลังท่านต้องระมัดระวังในแถวนี้อยา่าพิ่งแต่ผมทราบแล้วว่าส่านผ่านมาสองคืนเลยรมสองคืนใช่ไหมโ้นขารู้เลยก็คุณสายบอกใช่ัรรมยนโร์ทาไปยังไงแบบสมไม่ัำพ้าดครับไม่าดกองสอบแต่คนนี้ทามันมาบอกไม่อยู่บริเวณะนะั้นเต็มเลยที่มาขอทำแบบกินโบราณนี่ กับทางการศิลป์สุรินด่านสุรินด่านอันนี้รายกาดมากสุรินข้นแก่นเั้าเมื่อโดนข้นแก่นในทางวิายในค้นแก่นนี้แม่ถ้าสองอย่างในสืเสียงผู้หญิงถ้เป็นรอยโอ้ยเจ้าเจ้เจ้จ้าเองดูเดินไม่ง่ายไม่เห็นคนๆคน เร n เห็นเนี่ยมันด่งอยากคุยคุยก็ได้เดี๋ยวตกมันขอมาฉาแานไอ้สงเต้ยกไอ้สงเต้ยมันมันเอาบอกสิเี่เก็บพร้อมเลยว้เก็บวเก็บวุ าน้ำนมันก็ติดนี่มันมีน้ำอยู่้น้ำไมถ่าตอนนี้ก็น้ำไห่ถังจะถังยังอาจะอาบอาบเสร็จไปแล้วก็ให้ไหว้เจ้าบาทจะใส่ตะ ว, วางเป็นต่อเลย u l e ะพืชจำพืชจำมาบาทสีห้าพืชที่โตบ้างเรื่องแตเล็กบ้างตะปูทุบงบ้าง เช้านีมันมีเจ็คสู้เลยตอนีเจะเกิดแล้วเราได้ตังต่อแล้วมันก็ยังไม่พอเช้ามีเอาข้าวมาไว้เอข้าวในข้าวขาวจ้องเมาก่อนข้าวข้าวซ้อมมีอะไรกันนะทนี้เราเป็นปกติใที่ปกตป๊บเราก็ยังไม่ฉันเก็ยังย่อยฉัน อะไรนามอไันปุ่มปุ่่มปีโซเนมันไม่ได้นะยไดใจนีคือเรามีวุฒิถาพิ่มับข้าวขาวเจาไม่กระจายเนื้ตัวรีเดียม้ยาวๆมันมีไฟแดดไปใส่ไปทางหน้าซีดไปของไม่จุดหนึ่งที่สุรินทรนหนังมะปู ให้เราเั่เวลาจาเข้าวอ๋อไม่เลมาเวลานชุดต้องเยื่อไม้บันเจ็บนี่ไม่ถมัดตอนนี้เดียวจานข้าวนั่งไปงงนั่งไ ป, งไปให้หนังผืนตัวมันเล็กเล็กมาดีหน่อยหน่อยหน่อยเปแค่เขานี่ฟิลปล่อยไปนานนีนดัน เ, ข, เข้ารูตัวไปรายเลยาไปเป็นเรื่อง แสุดก็เลยหยิบน้ามาไม่ถึงเล้เจ้าไปหยิบไม่ทีตีสองคนตัวคนห่ังเีงเพื่อกระดานเด่นให้กินแล้วแล้วก็ลากลับแล้วเดินทางต่อพอโยมชลามโบกันใหม่นะทั้งเ้าทัม่ที่นี่ตอนหน้าประชาชนโยมชิลามยืนส่งส่งคืนยโยมมันรีบกราบใยญางีใหญ่นะครับใ่ไมรับเจ้าพระยานี่หลังที่วางเล็กวางงคนมันมากนาโยมนะ อาตมาอายค่ะถ้าเราอยู่กับต่างต่างอาตมาจะคืนให้โยมแม่ลูกกลับ